وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ ح ا ف ِ ذ ِ ي ن َ و َ أ ي ُّ ب َ أ َِ وَأَيُّ بَأِزْنَ دَرَبَ อั مَسَّنِي นยับดُร์ وأن أ َ ر ْ ح َ م ุรِ ي ิม بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ว่ามิในสิ่งเลวร้ายของเรามิยัดำห์ให้ละหละ فلا مضلله و มิ يُضلِّل فلا هاديَّه وشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهدوا أن محمداً عبده ورسوله اللهم بيك أصبحنا ن س ا وبك وب ن ح ي و م و ت و ي ك ا ل ن أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ตาม ش ر ما خ ل ق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ووسمي العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله م, م, م. ا إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر รับอาอุบุคจา ا อ ف ดับในนา ع ีและอาดับในควบรีอัลลอฮุมะฟินีใน ي ดีและมะฟินีในส ي ف ยีและ ال ซัลลัม ي อะลัยคุ ا มะรห์มัดุลลอฮฺมะบาพี่น้องที่ร่วมนมัซุบห์ที่รักทั้งหลายครับเราขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ อัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้บางคนก็หลับแบบสบายบางคนก็หลับไม่สนิทเพราะไม่ได้เอาสุนนะของท่านนาบีมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นก่อนนอนเนี่ยนบีสั่งให้แปลงฟันให้อาบน้ำน้ำมาดไม่ได้ทำขี้เกียจทำ หลายคนขี้เกียจที่จะเอาสุตรนั้ของท่านนาบีมาใช้ในชีวิตประจำวันแปลงฟันอาบน้ำนำมาตะปัดที่นอนแล้วก็นั่งยกมือขึ้นแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านสามคุลหรือก็อ่านคุ利าอีกคุ利ยาอายุหกาฟิรูเนี่ยละตามด้วยอายคกรซี บางทีก็อ่านสุราตา บ, บารอกันยดีบยาดิฮิลมุลกบางคนว่าโอ้โหกว่าจะนอนได้ยาวเหลือเกินไม่เอาต้องใช้ตั้งสิบนาทียี่สิบนาทีโอ้โหไม่เอาไม่เอาทิ้งดีกว่าแต่นั่งดูละครเป็นชั่วโมงได้ก็คิดดูกันแล้วกันนะทีถ้หาเรารักษาสุนนะ ข, ของท่านนาบีก่อนนอนได้ทุกคืนทุกคืนทุกคืน ก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีไม่ถึงห้านาทีเท่านั้นแหละผมเคยเช็คหนึ่งไปไม่ถึงห้าหกนาทีเท่านั้นแหละถ้าหากเราตายคือนั้นเราตายในสภาพที่เราอยู่ใกล้กับมลาัายก้าน่ะเพราะชายตอนไม่มาอยู่ใกล้ตัวเราถ้าเราตายไปเลยคือเนี่ยตายเลยนะชายตอนอยู่ห่างตัวเรา <c oughs> แต่มลาัายก้านจะอยู่ใกล้ตัวเราทำอะไรไม่รู้ ขอบคุณเราเาะนะที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานมาถึงสูเราอัลอัมบิยาเนี่ยนี่เรียนกันมาประมาณยี่สิบเอ็ดปีแล้วพวกเธอยังไม่เกิดเนี่ยนักเรียนบางคนยังไม่เกิดพอปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบเอ็ดจะเข้าปียี่สิบสองอยู่แล้วคนที่เรียนตับเีกกุรอานเนี่ยตายกันไปหลายคนแล้ว นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยตาไปหมดแล้วใช่ไหมกันมีพวกเราตรงนี้จะทำจริงๆแล้ววันนี้มาถึงอายาที่80นะครับขอทบทวนเรื่องเก่านิดนึงฟาฟัฮัมนาฮาสุไลมานวกุลลันอาใจนาฮุคมาวะอิลมา ว่าสักรนานไม่ได้วุดลจิบาลยุสบิพนาวะไทรวกุณนาฟายลินฟัมนาเปลว่าเราได้ให้ความเข้าใจอัลลอฮบอกกับนบีมุฮัมมัดให้นบีมุฮัมมัดนำเอาเรื่องของนบีสุลัยมาน มาเล่าให้อุมามของนบีมูฮัมหมัดฟังนบีก็เล่าผ่านอัลลอฮ์ให้นบีเล่าอ่ะล่บาบอกว่าความเข้าใจของนบีสุไลมานที่สามารถตัดสินคดีต่างๆได้เนี่ยความรู้ตรงนี้เนี่ยใครให้อัลลอฮ์ให้วลาเราอ่านคุรานแล้วก็ต้องนึกอย่างนบีสลุลมานเนี่ย มีความสามารถตัดสินคดีต่างๆได้ถามว่าความรู้อันนี้นะใครให้ถักพวกเราวันนี้อาจจะนึกว่าเพราะคนนี้มันจบมาจากรามคาแหงคนนี้จบมาจากมหาวิทยาลัยจุฬาฯจุฬาอะไรนะจุฬาลงกรอันนี้มันจบมาจากเอ็กซ์พอร์ตจากต่างประเทศจากอะไรนะประเทศต่างๆโอ้ลืมอลอไปเลย ไ ม, ไม่เคยเอ่นไม่เคยเอินอัลลอฮฺสุบบฮานุรรานาสักคำหนึง่งหรือหลายคนที่มีอาชีพการงานที่ดีในเมืองไทยเนี่ยได้ตา แ, แหน่งนุนตําแหน่งนี้สูงเงินเดือนเป็นแสนไม่เคยเอินอัลลอฮฺเลยเพราะฉันจบนั่นจบนี้ตัางหากนี่ต้องการจะสอนนะฟาฟะฮัมนาสุไลมานเราเนี่ยได้ให้ความเข้าใจแกนบีสุไลมาน ควาสามารถตัดสินนู่นตัดสินนี่ความสามารถอันนี้มาจากไหนอ่ะความเข้าใจอันนี้มาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ม่ให้เราตะกระบดมาให้เราชูคอโอฉันแน่ชูคอมากๆเดี๋ยวจะเป็นเนปาลเนปาลก็ถูกมาแล้วนะ่ะแปดสิบปีไม่เคยแผ่นดินไหวมาก่อนนึกว่าฉันแน่แล้วที่นายได้อัลลอฮ์ขยาวขยาวครั้งที่สอนนี่ก็ถูกไปอีกหลายหลายคนท่า น, นยาชูคอ ตรงไหนะต้องนอบน้อมทอมต้นนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนี่อุร่านสั่งเวละกุร่านสั่งนี่สั่งทั้งโลกเลยนะมันจะสั่งเฉพาะมุสลิมนะเราต้องนําอุลร่านนี้ไปอธิบายให้ใครนะให้คนกล้าชื่อเราฟังวะกุลันอาไตนาฮุคเมวะอิลมานบีสุไลมานกับนบีดาวูดเนี่ยเป็นพ่อเป็นลูกกันอลครอบครัวไหนจะดีเท่ากับพ่อเป็นนบี ลูกเป็นนบีเป็นกษัตริย์ด้วยอะไรด้วยอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่อะความรู้แล้วก็วิทยาปัญญาเนี่ยใครให้กับอัลลอฮ์ให้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพวกเรานักเรียนเนี่ยมาจากทุกจังหวัดในในเมืองไทยเนี่ยที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยยังเรียกว่าฉันแน่นะอัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์จัดมาลฮัมดุลิลละฮัมดุลิล ต้องชูกอต่ออัลลอฮ์เยอะๆหอมก็มันการที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันแน่อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดสัญญาตะการบุตรอย่าชูคอให้ทำไรนะให้น้อมๆให้ถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ให้ชูกอต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะครับอีกประการหนึ่งวาซัคคอรนมามะอดาวูดัลจิบาล ซัข้นาแปว่าเราได้ให้ไรนะให้ยีบ้านให้ให้ภูเขาเนี่ยอยู่ใต้การดูแลของนบีดาวูดภูเขาพูดได้ไหมเคยเห็นภูเขาพูดได้ไหมไม่เคยเห็นแต่อัลลอฮ์ลาสังกะฟิอุลกุรอานเราให้ภูเขาเนี่ยอยู่ใต้การดูแลของนบีดาวูดอะลัยฮิสตลาม ยูซับบียนะแปลว่าสรรเสริญภูเขาสรรเสริญวัวปอยรอนกสรรเสริญต้องการจะเล่าให้เราฟังว่าภูเขามันพูดไม่ได้มันเป็นของแข็งไม่ไม่มีไม่มีวิญญาณไม่มีสติเป็นยาแต่สามารถสรรเสริญสดุดีสทซองต่ออัลลอ์ได้พร้อมกับนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนี่อัลลอ์เล่าทั้งหมดเป็นโมจิจั์ หลายคนพูดว่าภูเขาพูดฉันไม่เชื่อนี่นี่นนเาาราเรานัอ่นัมภีรลกุรอานนี่อายาเท่าไรนะอายที่เจ็ดบเก้าเห็นไหมให้ภูเขาแท้ซองสะดุดีเมื่อได้ยินนบีดาวูดอ่านคัมภีร์ซบูร์นบีดาวูดนี่นะเวลาอ่านคัมภีร์ซบูร์เนี่ยอ่านเสียงโอ้โหเสียงชั้นหนึ่งเลยอะ เสียงภพเราะจับใจพออ่านไปแล้วเนี่ยภูเขาได้ยินป้าบนโอ้โหแซซองนึกถึงอัลลอสฺสุดดีพร้อมกับนบีดาวูดไปด้วยและอะไรอีกวับต่อยรอเบิร์ดนกอีกนกที่บินอยู่ในอากาศเนี่ยพอได้ยินนบีดานบีดาวูดอ่านคัมภีร์ซาบุตหยุดเลย แล้วก็สารเสริญชมเชิสิ่งดีอัลลอฮ์พร้อมไปกับนบีดาวูดอละลัยฮิสสลามนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังขนาดนกจะสารเสริญอัลลอฮ์เลยภูเขาพูดไม่ได้จะสารเสวนต่ออัลลอฮ์เลยเยสะสดุดีต่ออัลลอฮ์เลยยังชมอัลลอฮ์เลยพร้อมกว่าใครนะพร้อมกับนบีดาวูดอละลัยฮิสสลามวกุนนาฟาลีทั้งหมดนี่เราเป็นคนจัดการเองใครพูดนะอเราพูดว่าฉันเป็นคนจัดการเอง เพื่อต้องการจะให้พวกเราทุกคนเข้าใจว่าอัลลอฮ์เนี้ยยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ลลยยจริงๆครับสามารถให้ผู้เขาพูดได้เดี๋ยวในวันเกียร์มาอัลลอฮ์ให้มือพูดในวันเกียร์มาเนี่ยมือไปทําอะไรใครไว้เนี่นะอัลลอฮ์ะจะให้มือนี่พูดให้เท้าเป็นพยานให้หนังพูดหนังนี่นีนสกินสกินบริวหนังที่ภาษาอังกฤษนี่ให้หนังพูด ให้มือพูดให้เท้าเป็นพยานและหน้าแตกไม่ถ ah ูกเราวันนั้นวันนี้เดินตามคำสั่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรปฏิบัติให้ครบนะครับเอาต่อมาวันนี้อายาที่แปดสิบวะลัมนาหูซนอาตุลาบุิละกุมลิตุหซินักุมิมบะซิกุม فهلأنتم ش ا ك ر و ن وعلمناه صنعة ل ب و ِ ل ك م لتحصنكم ْ م س ِ كم فهلأنتم شاكرون อัลลอฮฺอับตนี่เป็นความร่วมหมดเลยนะ อัลฮัมดุลิลละวะอัลลัมนาหูคนที่รู้ภาษารับเข้าใจง่ายอัลละมายู่อัลเลมแปลว่าอะไรนะสอนวะอัลลัมนาหูเราได้สอนสอนใครครับต้องอ่านต้นจากอายะแรกนบีดาวูดอัลลอ์เล่าเองนะมุฮัมมัดเอ๋ยจงบอกกับประชาชนอุ ม, มาของท่านนี้แหละซอนอาตาลาบูส สอนแปลว่าศิลปะหรือว่าการทําลาบูสมาจากลีบาร์ตแปลว่าเครื่องแต่งกายหมายถึงไอ้นั่นเนอะเสื้อกะห์มาจากเสื้อกะห์อนอาตาลาบูสการทําเสื้อกะห์หรือว่าศิลปะการทําเสื้อกะห์ใครเป็นคนสอนนบีดาวูดให้ทําศิลปะการทําเสื้อกะหใครเป็นคนสอน ตรงนี้อัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยมาสอนอุ ม, มาของนบีมุฮัมมัดว่าแม้แต่การทำเสือ้อเกราะพานบีดาวูดนั้นมันใครสอนอัลลอฮ์สอนอัลลัมหน้าหูเราได้สอนนบีดาวูดเพิ่มเติมนอกจากอ่านอะไรนะอ่านคำพีษบูดแล้วเสียงไพเราะเพราะพิ้ง ผูคงภูเขาเนี่ยอัลลอฮฺอักบะเสาะสดุดีตามนาบีดาวูดนกกระไรกันบินไม่ไหวเลยพงปีกอ่อนไปหมดได้ยินเสียงของนบีดาวูดอ่านคัภีสซบุตเรื่องที่สามเพิ่มเติมมาอีกก็คือสามารถทำเสื้อกราะได้ด้วยความจริงเสื้อกราะเนี่ยมีมาก่อนนบีดาวูดแล้วในตับซิดอิบนุกะอธิบายว่าทามาจากสังกสี บอบบางไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อ ย, อยแข็งแรงเท่าไรหรอกแต่ว่าที่ผ่านนบีดาวูดเนี่ยทํามาจากแล้วนะเหล็กอัลลอฮฺอักบะต์ทนี้เหล็กที่อัลลอฮฺให้กับนบีดาวูดในอย่างเลยนะธรรมดาเหล็กเนี่ยมันต้องผ่านการอะไรนะห<ม>ลอมก่อนแต่เมื่อตกมาอยู่ในมือของนบีดาวูดปั๊บเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านไฟไม่ผ่านหลอมนะพอถูกมือปั๊บนี่ก็เลยนิ่มเลย พอถูกมือปั๊บนี่นิ่มเลยนี่ใครให้อะอลัลลอฮ์ให้กับนบีดาวูดอะไรวิสซาลแบบนบีอิบราฮิมอตอนโยนสายไฟอะพอถูกไฟปัดไฟเย็ยนเลยนี่ใครสัง่งอัลลอฮ์สั่งไฟนี่อลัลลอฮ์ก็สั่งเหล็กเหมือนกันนบีดาวูดจับเหล็กเมื่ อ, อไรปั๊บเหล็กนั้นต้องนิ่มทันทีแล้วก็สามารถดัดทําอะไรง่ายๆด้วยไม่ต้องผ่านไฟเลยเอลัลลอฮดุลิลลาห์วิธีการทําเสื้อเกราะใครสอน อัลลอฮ์สอนนบีดาวูดฉะนั้นความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้นะอัลลอฮ์สอนหมดเลยยกตัวอย่างง่งายๆนบีอาดัมอัลลอฮ์ส่งนบีอาดามมานะีมาสอนเรื่องการเพาะปลูกด้วยนะปลูกข้าวสาลีปลูกยังไงไถดินยังไงหว่านยังไงแล้วก็รักษาอย่างไงใส่ปุ๋ยยังไ ง, ง, ไงแล้วก็เก็บยังไงเกี่ยวยังไงเอาไปตากยังไงเอาไปนวดยังไง เอาไปเก็บแล้วก็ใส่หม้อหุงยังไงสอนหมดเลยผ่านใครนะผ่านนบีผ่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสล า, ส า, ามอาตอมาสอนอะไรอีกสอนผ่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสล า, ส า, ามนบีอิดริสเนีย่ยระหว่างนบีอาดัมกับนบีนห์ระหว่างนห์กับอาดัมเนี่ยะ ม, มานบีอิดริสมากอ่อนอัลล์สอน ความรู้ผ่านนบีอิดเดลสอะไรบ้างหนึ่งไอมูลค่าาสวิชาคนวณคนจะเรียนแพทย์ต้องต้องคณนวนต้องเกง่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต้องเก่งคนวณ น, นักเรียนต้องนึกนะไอวิชาคณนวนเนี่ยฉันเก่งเนี่ยรู้มาจากไหนมาจากนบีอิดเดสอะไรที่สุอัลลอฮ์ส่งความรู้ผ่านนบีอิดเดลิสมาต่อมาครับการใช้ปากกาการใช้ปากกาเนี่ยก็ผ่านนบี อีเดีร์นี่ทําปากกาเนี่ยที่เรามียี่ห้อต่างๆเนี่ยประกงปังเกอร์เนื่นมาทีหลังอันนี้เรียนแบบนบีทั้งหมดแล้วแต่ว่าลืมนบีชูคออยู่วันนี้โรงงานทําปากกาชูคออยู่โรงงานคนที่มีเก่งวิชาฮิสานยังชูคออยู่นะยังไม่ได้นอบน้อบอมตอนต่อรอดนาฬาวังแล้วก็ศิล ป, ปะในการทอผ้าอีก การใช้ผ้านุ่งผ้านนนเนี่ยนี่ศิลปะในการทอดเนี่ยครั้งแรกเนี่ผ่านนบีอิดรลิสอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็สร้างเครื่องและตาช่งางผ่านนบีอิดรลิสอะไรนะเครื่องตวงผ่านนบีอิดรลิสสร้างอาคารผ่านนบีอิดรลิสทั้งหมด67รายการวันนี้คนที่มีความรู้ด้านนี้รู้หรือเปล่าว่าความรู้ทั้งหมดเหล่านี้ผ่านนบีอิดรลิสยังชูคอยอยู่นะ ยังชูคออยู่เลยไม่รู้แล้ว่าเนี่ยให้ใครให้ม า, ารู้มาจากอัลลอแต่ผ่านใครไม่รู้อยากเรียนไหมเรียนทำไมอยู่อย่างนี้ดีกว่าพี่น้องต้องเรียนให้รู้นะคนที่เป็นช่างไม้ก็ต้องนึกคนที่เีเจ้าของโรงงานปากากต้องนึกคนที่เป็นเจ้าของอะไรโรงงานทอผ้าต้องนึกทั้งหมดเล้่นี้เป็นความรู้ผ่านนะบีอิดุลลิสอะลัยฮิสสลามรวมไปถึงคนที่ทาเสื้อกระวันนี้ เสื้อกลอดี่ราคาแพงนะในเมือไทยขายอันเท่าไรเคยเห็นไหมเขาให้ชาวบ้านช้าแล้วให้เฉพาะชาวในบางกลุ่มเทนนั้นประมาณสองหมืนนเท่าไหร่ผมอาจจะผมเคยเห็นแล้วผมเคยสายโอ้โหอุน อ, อัดการลูกปืนได้นะเอาล่ะเป็น้องต้องขอบคุณอัลลอสุบฮานาหูวะตาลอันคงว่าเสื้อกรอลบูนสน่ซอนอาตาลบูส วะลัมนาหูซอนนาตาเลบูเราได้สอนนบีดาวูดเพิ่มเติมอีกนอกจากอ่านคัมภีร์ซาบูเสียงไพเราะแล้วเออจะมีสาว บ, บ้านนบีอีกคนหนึ่งที่อ่านคุณอ่านเสียงไพเราะเชื่อได้นะท่านอบูมูซาอัลอัชอารีสาว บ, บ้านนบีคนนี้อ่านคุณอ่านเพราะมากเลยนบีเดินผ่านบ้านอบูมูซาอัชอารี อบูมูซาตั่งอ่านคุรอ่านในบ้านนี่พวกเรานํามาประชาด้วยนะเมื่ออยู่ในบ้านเนี่ยไม่ใช่ดูและครละครละครละครข่าวข่าวข้าวข่าวจะทำอะไรบ้างให้อ่านกรุรอ่านเหมือนใครเหมือนอบูมูซาอัลอาดีซึ่งเป็นสราบะของท่านนาบีพออ่านกุร์อ่านนบีเดินผ่านนาบียืนฟังมันจะไปคนเดียวไปกับสราบะอีกหลายคนนบีก็พูดว่าโอ้โหเนี่ยคนที่อ่านกรุรอ่านเสียงไพเราะ คนที่เสียงไพเราะอย่างนี้น่ะในอดีตมีมาแล้วนบีดาวูดอะเลฮิสลาบเล่าให้สุฮาบะฟังเลยเห็นไหมนบีนี่อัลลอฮ์ฉลาดมากเก่งมากเดินปัญญสอนให้ความรู้ตลอดเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นท่านอบูมูซาอัสอาลีเป็นสุฮาบะนบีที่อ่านกุ่อ่านเสียงไพเราะมากนบีถึงกับยืนฟังแล้วต่อมาอบูมูซาอัชอาลีมารู้ที่หลังว่านบียืนฟังอ่านกุ่อ่านของท่านท่านพูดว่าไงรู้ไหม ถ้าฉันรู้ว่านบีมายืนฟังท่านก็จะอ่านให้เสียงเพราะกว่านี้อีกแต่นี่ไม่รู้โอ้ถ้ารู้นะจะอ่านให้แจ๋วเลยขนาดอ่านไม่แจ๋วเนี่นบียังยืนฟังเลยจะนั้นการฟังอักรกุ่อานเป็นของดีไหมดีถามว่าฟังเพลงกับฟังกลุ่อ่านนั้นจะดีกว่ากันนักเรียนหลายคนว่าฟังกลุ่นอ่านเซ็งฟังเพลงมันกระปี้กระปา๋านั่นใช้ตอนทั้งหมดอะมันสร้างความกระสิบกระซาบให้กระปี้กระปา๋าเพราะอิทธิพลใช้ตอน นะครับเอาต่อมาครับสร้างเสือ้อเกาะมาทำอะไรละกุม อ, อัลลอฮฺใช่ไหมละกุมแปลอะไรนะสําหรับสูเจ้า่าสร้างเสือ้อเกาะมาเนี่อลัลลอฮฺพูดเลยนะละกุมสําหรับสูเจ้าแต่วันนี้สุอส้อเกาะที่เราไม่เคยมีไปอยู่ในะ ย, ยุโรปหมดก็มีเหมือนกัน ไอ้คนที่มี ม, มีเสือ้อเกาะส่วนใหญ่เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยดีมีปัญหาชอบมีปัญหากับชาวบ้านกลัวจะถูกยิงบ้างอะไรบ้างใส่เสื้ใส่เ ส, ส, สืแต่ละเสือ้อเกาะนี้มีพูดในคัมภีร์กุรอานอ่า น, อน่าคิดนะครับทีนี้วันนี้คนที่ทําเสือ้อเกาะขายเสือ้อเกาะนะมองในแง่ดุลยาอย่างเดียวแต่กุรอานตรงนี้มองเกี่ยวอะไรนะาศาสนาเกี่ยวกับอาคเริลเป็นเรื่องสําคัญ นะครับทำเป็นธุรกิจได้ไหมได้แต่ทำแบบไหนนะทำแล้วต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่เอาแต่เงินเงินเงินเงินอย่างเดียวเขาอธิบายอย่างนี้ซ้อนอาตาดาบูสินละกุมทำเสื้อกราะมาสำหรับท่านทั้งหลายเพื่อมาคิดมะอะไรนะมนุษย์ชาติให้เก้าใครกล้าชิดกับอัลลอฮ์เหมือนกับใครนะเหมือนกับมะของนบีมูซา ม่นบีมูซาเนี่ยเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วกฟารโรประกาศนะใครได้ลูกผู้ชายน่ะฆ่าให้หมดนะตอนนี้ม่านบีมูซาเนี่ยอลัลลอฮฺวะฮีดอิลฮามาถึงดนใจม่นบีมูซาให้อามูซาใส่ไรนะใส่หีแล้วก็ลอยน้ําพอลอยน้ำไปก็ไปผ่านพระราชวังฟารโรนี่แหละเสร็จแล้วก็อามูซาเนี่ยขึ้นไปเก็บไว้ที่นั่นแล้วก็ไปเรียงดูตรงนั้นเอาเป็นลูกตัวนั้นใครจะให้นม อัลลอฮ์ส้างมูซาอยา ก, กินนมใครนะเห็นยังครับจุดสุดท้ายเนี่ยแม่มีคนนำแม่ไปเนี่ยไปให้นมกับนบีมูซากับมูซาลูกตัวเองในในในในพระราชวางังแล้วก็ได้เงินเดือนอกีกนี่ไงเขาต้องการจะอธิบายครั้งว่าซอนอาตาดาวูสิลละกุมนบีดาวูดเนี่ยสามารถมีความรู้เพิ่มเติมที่อัลลอฮ์ให้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทาเสื้อกเกลืได้ เสื้อกรอกนั้นละกลุมมินมีประโยชน์กับท่านทั้งหลายเหมือนกับมะของนบีมูซาที่เข้าไปอยู่ในพระราชวังเอานมให้ลูกตัวเองกินแล้วก็ได้เงินเป็นรางวัลตอบแทนแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลล์ ด, ด้วยอธิบายดีพวกอุลมามะนี่เขาเก่งมากนะการโยงให้คนเนี่ยไม่ให้ลืมอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตาาต่อมาครับเสื้อกลอที่มาทาอะไรครับ รีตัวซีนากุมอัลลอฮ์เพิ่งรู้คนที่ไม่เคยอยู่ในวงการเสือ้อกาะไม่รู้ว่าเสือ้อกะอเอามาทำอะไรแค่อ่านคุรุอานเข้าใจเลยลีตัวซีนากุมเพื่อป้องกันสูเจ้าอัลลอฮฺอักบะตมิมบาซีกุมจากการรบพุ่งกันทำสงครามกันปกป้องศาสนา ใส่เสื้อกราะเป็นการปกป้องอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวของคนที่ใส่เสื้อกาะในการออกไปทำงานาศาสนาของอัลลอ์สุบฮานะหุวัตาดาอัลลอฮหฮุอักบัรยิ่งใหญ่มากครับนะเข้าใจนะ <c oughs> ทีนี้ทำเสื้อกาะได้ใน บ, บิดาวูตอ่านคำพีซาบูตเสียงไพเราะภูเขาสรรเสริญพร้อมกับนเ บ, บิดาวูนงนบสนรรเสริญ ต, ต่ออัลลอ์หมด ทำทัท้งหมดเหล่านี้เนะี่ยเพื่ออะไรอาญาสุดท้ายวักสุดท้ายฟ้าหันอันตุมชาคิรุณหันเป็นเป็นเป็นเป็นคําถามแล้วสูญเจ้าจะกระตันอยู่บ้างไหมสูญเจ้าจะาขอบคุณอลัลลอฮ์บ้างไหมอลัลลอฮ์เป็นคําถามอาลัลลอฮ์ให้มากถึงขนาดนี้เนี่ยไม่คิดที่จะขอบคุณอลัลลอฮ์หรืออลัลลอฮ์เห็นยังครับ นกุรานสอนนะคนที่มีอะไรอะไรดีๆมากกว่าคนอื่นเขาว่าสุขภาพแข็งแรงอลัลลอฮ์ให้ใช่ไหมมีภรรยาสวยอลัลลอฮ์ให้ใช่ไหมมีรถครับัทำดีเล่อมีที่ดินตั้งร้อยตารางวาอาลัลลอฮ์มีนู่นมีนี่มากกว่าคนอื่นเขาเหมือนกับนบีด้่นมีของต่างๆอลัลลอฮ์ถามว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในครอบครองของท่านแล้วเนี่ยฟาฮันอันตุมชาคิรุนแล้วสู่เจ้าเนี่ย จากตันอยู่ขอบคุณอัลลอ์บางไม่เห็นอย่างครับท่า น, นเมื่อมีอะไรที่เป็นเนี่ยอามัดที่อัลลอ์ให้มาอยู่กับเราเยอะๆเนี่ยอย่าลืมต้องอะไรนะขอบคุณอัลลอฮ์การขอบคุณอัลล์มีอยู่หลายวิธีวิธีที่หนึ่งชมอ al ัลลอ์อ um ัลฮัมดุลิลลา์อัลฮัมดุลิลลา์อัลลอฮุมะละกะมะลลัมดูวัละกชุกหรือคนที่ได้ภาษาอรับเยอะมันมีปัญหา อ้าวคนได้รีสกีเยอะๆนึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการบริจาคคําว่าบริจาคตรองนึกกี่อย่างเนะสี่อย่างหนึ่ง z a k ศ t สอง s a d ะ q a h ส า, าดี a d i a h สีก w a ถ้ามีเงินเยอะมีรีสกีเยอะต้องนึกสอย่างคนที่มีความรู้กันมากันกอดความรู้เอาไว้ไม่ได้สอนใครเมียกับไม่ได้สอนลูกไม่ได้สอนญาติพี่น้องก็ไม่ได้สอนพี่น้องครับ ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เรามีอะไรก็ตามต้องสแสดงแล้วก็บริจาคแล้วก็ดูแลคนอื่นเขาด้วยเข้าใจนะอัลฮัมดุลิลลาฮิที่น้องทั้งหลายครับอัลลอฮฺองค์พรดีมากครับที่น้องอ้าต่อมาอายาที่เท่าไหร่นะอายาที่81วะลิซลัยมานน์ริฮะซิฟะตัจรีบิอัมริฮิอิลลัลอาร التي ع الم ع الم الله ا ل l ي h t a ك َ ا ขบรักนั้น ي นนั้นและคุณนับในทุกๆสิ่งทَ่อ ل ลลอฮฺ ا ู้ทรงรู้ผู้ทรงรู้อัลลอฮฺผู้ท ท اجر ี بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين อ l ลลอฮฺอั a ลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ ل ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลลลอัลลล แต่พวกเราต้องเรียกว่าไงนะนบีสุไลมานวารีคำว่าลี่เนี่ยเป็นสำหรับวารีสุไลมานสำหรับนบีสุไลมานนั่นเราได้ทำให้รี่แปลว่าลมลมไหมทำให้ลมคำว่าลมเนี่ยมองด้วยสายตาเห็นไหมไม่เห็นภูเขาเห็นไหมเห็น นกเห็นไหมเราเห็นนี่ให้ให้แล้วให้ลมอีกลมเนี่ยเรามองไม่ไม่เคยเห็นเลยอัลลอฮฺอักบะต์แต่อัลลอฮฺให้ลมนั้นอยู่ใต้อำนาจของนบีอัลลอฮฺอักบัตสุไลมานคนแรกนบีดาวูดคนที่สองนบีสุไลมานอัลลอฮฺให้ไม่เหมือนกันเหงอย่างสําหรับนบีสุไลมานอัลลอฮฺให้ลมอาซีฟาแปลว่าพายุแรง ให้ลมมาแล้วก็กลายเป็นพายุแรงได้ด้วยหรือว่าให้ลมพายุมาแล้วกลายเป็นลมเฉยก็ได้ด้วยทั้งสองอย่างมีความหมายเดียวกันนะให้ลมแรงแงมาทำไมต้องใช้ลมลมแรงน่ะอ่ะดูดูดูดู ด, ด, ด, ดูดูต่อไปที่อัลลอฮ์ให้ลมแรงมีทั้งแรงด้วยเฉยด้วยลมพัดแรงแรงด้วยกับนบีสลุลยมานเพราะนาบีสลุลมานเป็นแบบนี้ ก่อนที่อัลลอฮฺจะให้นบีสุลัยมานครอบครองดูแลลมเนี่ยนะอากาศเนี่ยก่อนหน้านี้นบีสลุลมานจะเดินทางไปไหนก็ตามใช่นั่นอะ่ะชายมาอ่าขีเมอร์เนี้มีอยู่วันหนึง่งดูมาเพลินแบบพวกเรามีบ้านเช่าสองร้อยห้องเดินตัวตัวตัวตัวไอ้สีนี่มันเก่าไปไหนะวะบุษากะเมีย เนี่ยทำไงดีวะท่าสีใหม่บางคนก็นมีรถแท็กซี่ร้อยคันคุ้มรถร้อยคันน บ, บี <c oughs> ลืมนมาศ <c oughs> ดูงานเพลินจนกระทั่งลืมนมาอศอัสลน บ, บีสุไลมานนกันดูดูแลแดนธรรมะงามพันดีคุยดูอืออลลอฮ์ลืมนมาอศอัสลมานึกได้อัลลอฮ์แล้วเนี่ยให้ได้นมาศเนี่ย เสียใจทิ้งเลยไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมาไม่เลียงแล้วใครเอาไปก็เอาไปยกอัลลอฮฺอักลกุบะดแล้วมาขอดุอาที่หลังอัลลอฮฺฉันอยากได้ยานพหานะที่มันเดินไวๆอัลลอฮฺเมตานะ่ะรับเลยรับดุอาของนบีสุลัยมานทรงลมมาให้ลมนี้อยู่ใต้การคอนโทรลของนบีสุลัยมานอะลัยฮิสสลาม ทีนี้เรื่องมันก็เยอะนะอาละลมเนี่ยสามารถพาเขาเรียกว่าตั๊หมายถึงแท่นอัลลอฮ์ให้นบีสุไลมานเนี่ยสร้างเป็นแท่นแล้วก็เอาเก้าอี้วางได้ประมาณห้าแสนตัวไม่ใช่เบานะงานใหญ่มากเลยนะเนี่ยสร้างเก้าอี้ด้วยเอาแท่นออกมาไอ้หกเก้าอี้หกแสนตัวเนี่ยใครนั่งอะมุมินที่เป็น มนุษย์กับมุมินที่เป็นยินนั่งบนเก้าอี้หกหกแสนตัวเอาทหารนั่งเอาเต้นใส่เอามา้าเอาราแล้วก็ใส่ไปในในในในแท่นเนี่ยหมดเลยระยะเวลาในการเดินทางเราใช้เวลากังนั่นประมาณสองเดือนอย่างจะไปจากจากนี้มาถึงนี่ใช้เวลาสองเดือนแต่ถ้านั่งแท่นของนบีสุลัย ม, มานแล้วก็ลมพายุมันมาเนี่ยต้องต้องพายุด้วยนะ ที่จะยกแท่นนะเนี่ยเาคุ้นทั้งห้าแสนห้าหกแสคนเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยโดยใช้ลมอ๋อรอยกแท่นคือมาแล้วก็ลมมันก็ต้องแรงอ่ะสามารถบินได้จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเขาเดินทางกันสองเดือนนี่เดินทางถ้าออกตอนเช้าบ่ายถึงถ้าออกตอนบ่ายเย็นถึงดีกว่ากับินยังไงแล้วก็ละพงลังคาไม่มีนก นกเนี่ยมันจะมากลางปีกไม่ให้แดดมารอ้อนอมลอหุอักบัตยิ่งใหญ่ว่านไหนครับหลังจากอะไรนะดูมาเพราะขาดน้ำมัเสียใจฉันไม่เลี้ยงมาอีกต่อไปพี่น้องไทยขอคิดเยอะนะไอคนที่มีอาพาร์ตเมนต์ร้อยสองร้อยห้องเนี่ยขาดน้ำมัไมี ไ, ไหมพวกเราเนี่ยเยอะ <laughs> อัสถากุยรุลนอต้องคิดนะมีบ้านเช่าเต็มไมหมดเลยมีที่ดินเยอะมาก ต้องขับรถไปนั่นมาเนี่ย ข, า, า, า, ขาดนมาดขนานบีดาวูดนบีสุไลมานขาดนมาดอาสัตยอย่างเดียวท่านเลิกเลี้ยงมาแล้วไม่เอาแล้วมีชาวบ้านนบีอยู่คนหนึ่งนี่เล่านะอธิบายความนี้ยหนึ่งว่าชาวบ้านนบีอยู่คนหนึ่งคนนี้เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากเลยก็อ่านอ่านคุณอ่านเนี่ยมีวันหนึ่งท่านเข้าไปในในสวนของเขาพอเข้าไปก็ไปนามาดสุนัต พอไปน้ำมาสุนทรไม่รู้ว่ากี่ระกอระดับสับสนเอ๊สองหรือสามหรือสี่สับสนมากเลยเพราะว่ากําลังน้ำมาดมันนึกสวนฉันเนี่ยอ้โลโอากนกบินเข้ามาเนี่ยมันบินออกไม่ได้บินทั้งนี้ก็ติดทั้งนี้ก็ติดท้งนี้ก็ติดไม่มีช่องออกเลยเพราะว่าผลไม้เต็มใบไม้เต็มไปหมดเลยสวนนี่แน่นหมดไปนี่น้ำมาดไปกวนเลืกไป ฉันรวยน่าดูเลยโอ้โหขนาดนกบินเข้ามาในสวนบินออกไม่ได้เฮ้ยกี่รักษาอัดวะเนี่ยคอนึกได้ภาพเสียใจมาบอกนบีนบีฉันยกสวนนี้เป็นวะกัฟหมดเลยฉันไม่เอาแล้วเห็นไหมพี่น้องฟังตรงนี้ต้องนึกถึงตัวเราเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามีบ้านเช่าอยู่ร้อยหนึ่งขาดน้ำมันวะแล้วอาซาลขออีกร้อยหนึ่ง อย่าแต่ขาดมากอีกอย่างงี้หรือเปล่าเป็นต้องขอฝากเป็นเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจก่อนแล้วกันนะครับฉะนั้นใครจะมีอะไรก็มีเถอะแต่มีเนี่ยหมั่นของอัลลอฮ์แล้วอย่าลืมอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาแล้วคนที่ลืมอัลลอฮ์นะจะไปเสียใจต่อสุดท้าของชีวิตนะตอนตายอยู่ในกุโบน่ะเพราะเอะไรนะสันนะัสต์ดรียูฮุมมินฮัยสุลายะอัลเมูนเราจะจัดการเขาค่อยๆจัดการเขาแบบตัวที่เขาไม่รู้ตัวใน ปายในปลายชีวิตสุดท้ายของเขาสู่ความหายนะแบบไม่รู้ตัวพี่ต้องต้องระวังอ่านกัมภรอ่านต้องเป็นต้องได้ข้อคิดนะเอามาพัฒนาตัวเองพัฒนาเนี่ยอะไรนะอัคลาของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้เมื่ออัลลอ์ให้นบีสซลัยมานเนี่ยให้อะไรนะให้ลมมานะครับและลมแรงๆอาซิฟาไปบวกลมๆล ม, ลมพายุแรงเนี่ย เพื่ออะไรมเพื่อให้ไอ้แท่นอันนี้เดินไปไวนั่นเองแต่ไม่ใช่ไปมีฝุ่นฟุ้งแล้วก็ไปทำลายบ้านเรือนคนไม่ใช่คำว่าอัลซิฟาวันลมพายุแรงๆเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายใครนะแต่เป็นเนี่ยมะเป็นความโปรดป้านที่ให้นบีสุไลามานคอนโรลควบคุมลมเพื่อที่จะพาแท่นของท่านเนี่ยไปตรงไหนก็ได้เอาล่อสั่งไปโน่นปั๊บไปเลย แท่นยกขึ้นมาลมก็พาไปลมแรงนะพาไปแต่คนนั่งตรนั้นไม่รู้สึกตัวบนตัวเองนั้นถูกลมพายุพาไปอัลฮัมดุลิลละนี่เป็นความสามารถของใครนะของอัลลอ์ทีนี้เมื่อควบคุมคอนโทรลลมนะครับจะเป็นลมเฉยหรือลมแรงก็ตามตาจรีมันพัดอย่าร อ, อยาจรีามันวิ่งนะนะ วิ่งไปไหนครับบิอัมรีฮีอยู่ใต้คำสั่งของนบีสุไลมานเมื่อสามารถคอนโทรลได้ขนาดนี้อิ ล, ลอาบดิไปยังแผ่นดินอันลลาตีบารอกนาฟิฮานะครับไปยังแผ่นดินซึ่งเราได้ให้มีความจำเริญในนั้นก็ประเทศทีล่ละประเทศซีเรียปัจจุบันเนี่ย ประเทศซีเรียนี่แหละเป็นประเทศที่อัลลอฮฺพูดบรรยา ก, กรารฟีดูอัลใ น, ท, นทับซีดอธิบายว่าประเทศชามเดินทางจากประเทศฟาลิสตน์มาประเทศชามใช้เวลาวันนั้นนอาสองเดือนนะแต่นี่ให้ให้แท่นมาเอาทหารนั่งเอาคนนั่งเอาเต็นท์ใส่เอาม้าใส่เอาราใส่เอาอาหารใส่วิ่งประมาณ สามสี่ชั่วโมงไปออกเช้าๆบ่ายๆก็ถึงแล้วสถานที่ที่มีบรากัดวันนี้มุสลิมไม่ได้คอนโทรเลยอัลลอฮ์ถูกแย่งคนกาเฟสแยกไปหมดแล้วชีอ้างคุมแล้วปาเลสไตน์เยโฮดีคุมไปแล้วนั่นสถานที่ที่มีบรากัดทั้งหมดน่ะทำเดลีเลวักบัดเข้าอ่านกูนอ่านกันแต่พวกเราอ่านกูนอ่านเอาพลบุญอย่างเดียว มาจะอ่านกรุอนรอานแล้วก็นอนคิด เ, ออเป็นยังไงเป็นเนี่ยต้องคิดแล้วนะคนอ่านคุรอานไวนน้ต้องคิดนะไม่จะอ่านกรนุรอานอางพบุญอย่างเดียวนะพุทธบุญก็ได้ความคิดก็ต้องได้ความรู้ก็ต้องได้อิมานก็ต้องเพิ่มด้วยนะครับเอาต่อมาครับวะกุลนบีกุลลิชายอินอาลิมีนและทั้งหมดนี้เนี่ยนะเราเป็นผู้ รู้รอบรู้ทุกสิ่งอัลลอฮ์อยู่ในคอนโทรลขออัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ควบคุมแต่เพียงผู้เดียวนี่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ Allah, ุอาล่าอัลลอฮฺอักบัดอันทีนี้ตับซีเขาอธิบายดีนะเขาบอกว่าไอ้แท่นเนี่ยแท่นเนี่ยนะทำมาจากไม้มทามาจากไม้แสดงว่าไม้ก็ตัดป่ากนแล้วเริ่มเริ่มทําลายป่ากันแล้วนะแต่ทําลายไม่เยอะเหมือนปัจจุบัน ไอเราทำลายจนเยอะจนกระทั่งหมดป่าฝนตกมาน้ำท่วมทรมานตัวเองอีกอย่างนี้เป็นตน้นแต่นี้ทำมาจากแทน่นอลัลลอฮ์ในตัฟซีอธิบายไว้นะไอ <c oughs> แทน่นคอนบิสซาลยมาเนี่ยเอาเก้าอี้วางได้ตัหลายนะหกแสนตัวอลัลลอฮฺอักบัดถามว่าใครนั่งมุมินุอินซ์เอาคนที่เป็นมุมินแล้วก็ อวันยินแล้วก็ให้ยินนั่งอยู่คนนั้นด้วยมองไม่เห็นตัวนะมองไม่เห็นแต่สามารถนั่งเก้าอี้นั้นได้มนุษย์มองไม่เห็นแต่ยินนะมองมองเห็นมนุษย์นั่งเก้าอี้ท่านอับดุลมานสร้างเอาไว้แล้วก็สั่งนกให้กางปีกนี่นะเป็นอะไรนะเป็นเครื่องป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์อัลลอฮฺอับัดแล้วต่อมาในตบทสีภาษาอูรดูผมอ่านผม คนอังกฤษ อ, อังกฤษพวกพวกยุโรปรวมกันหลายประเทศต้องการจัดสร้างแท่นของนบีสบุลัยมานเรียนแบบเรื่องนี้คนไทยไม่รู้หรอกคนอินเดียเนี่ยเก่งพวกเขาอยู่กับอังกฤษมาตลอดเขารู้พยายามจะสร้างแท่นเรียนแบบแท่นของนบีสบุลัยมานแล้วก็พยายามเอาอะไรนะเอาลมเอาอากาศเข้ามาเพื่อจะทําให้ลูดแบบให้เหมือนเลยทํากี่ครั้งแล้วไม่สําเร็จ สายเหตุที่ไม่สําเร็จเขาลืมอ่านกุณอ่านคุณอ่านก็ว่าอย่างนี้นะครับน บ, บีสุลัยมานอ่านอ่า น, อานขออุดมอัลต่ออัลลอฮ์ไว้เรื่องนี้นะ่ะเรื่องแท่นคนอื่นทําไม่ได้ฉันคนเดียวน บ, บีสุลัยมานขออย่างนี้ครับรอบบิบฟิร ล, ลีวะฮับลีมุลกาลายามบะลีลิอาฮัดิมิมบัดีน บ, บีสุลัยมานขอดุอาอัลต่ออัลลอฮ์ว่ารอบบิบฟิร ล, ลีเห็นไหม เวลาจะขอนะขออย่างอื่นน่ะขอขออภัยโทษทางตัวเองก่อนรอบบีกฟิลลี่หฮาบบีมุ่งกันได้ประทานอะไรนะอำนาจให้กับฉันก่อนที่จะขออำนาจนะ่ยขออภัยโทษตัวเองก่อนแล้วก็เอารอบประทานอำนาจให้ฉันแล้วต่อมาลายม์บรีลีอาคาดิเมมบะดีอย่ากให้คนอื่นนอกจากฉันนั่น มีความสามารถอย่างกับฉันเห็นไหมน บ, บีโซลิมานขอดุอาไว้จะนั้นอำนาจที่ฉันมีอยู่วันนี้ดูแลนกก็ดีอะไรก็ดีพุ่งภูงเขาแส้ซองสะดุดีให้คอนโทรลลมได้สร้างแท่นได้ด้วยเอาแท่นขึ้นมาบินไปไหนไวๆนี่คนอื่นๆหลังจากฉันออลล์จ๋าอย่าให้เขามีอำนาจเหมือนฉันพวกตะวันตกพยายามทำนะอลลอ์อับตมันทาเรียนแบบ เหมือนของนบีสุไลมานทุกอย่างแต่บินไม่ได้เพรา ะ, ะไรเพราะนบีสุไลมานขอดุอิศเอาไว้น่าคิดนะน่าคิดมากครับพวกเราบางทีไม่รู้นะมุสลิมเราเนี่ยยังยังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นในโลกนี้ผมเองทําไม่อ่านปาฏิพยเสีบงภาษาอุดูผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อ, อัลลอฮหุอัลลอฮยิ่งใหญ่มากครับมันแข็งกับอัลลอฮ์เนี่มันแข็งกับ น, น, น, น, นบีอยู่นะวันนี้นะเอาต่อมาครับอาญาที่เท่าไหร่นะ ยาที yeah, ่ปดสิบสองว่ามิเนชัยปนิมัยยักู้สูนัลหูวายาเมลูนั้ยเมลันดูนั้น ذلك วคุณนัลหูมพาวิซินว่ามิเนชัยปนิมัยยักู้สูนัลหู <c oughs> วายาลูนงานโดยนดูนจากคุณนั่นแหละมีผู่านอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลบันดาลความรู้เพิ่มมาอีกแล้วชัยอาทิชัยตอนชัยตอนเป็นมัคคุลุที่เรามองไม่เห็นตัวยินมองไม่เห็นตัวชัยตอนมองไม่เห็นตัวอะไรนั่ะเลาอิกกามองไม่เห็นตัวแต่เราเนี่ยเห็น สามรายการนี้เห็นเราแต่เรามองไม่เห็นสามรายการอัลลอฮฺาขาดทุนอยู่แล้วต้องการจะปราบไซตตอนทําไงเราใช้ตอนก่อนนะใช้ตอนเนี่ยมีหน้าที่เป็นศัตรูของมนุษย์เราดูแลไซตตอนไม่ได้ทุกครั้งถ้ากลัวไซตตอนต้องขอผ่านใครพ่านอัลลอฮฺอย่างเดียวเลยอาอูซูบิลละไม่ม่อย่างอื่นครับทีนี้ถ้ากมนุษย์เป็นไซตตอนล่ะ นบีสั่งเลยนะมนุษย์ที่เป็นสายต่เนี่ยให้พูดดีกับเขาให้ยิ้มกับเขาเห็นน้ายิ้มก่อนอัสสลามอะลา อ, ล อ, อีกูอัลลอฮฺอากราต์กินมากน้ามันกินน้าชาเรารู้ว่ามันจะมามัรด่าเราอยู่นี่ <c oughs> เรารู้ว่ามันด่านินทาเราด่าเราว่าเห็นน้าเชิญเชิญสลาวะลาอีกมเรายิ้มกับเขาคุยกับเขาเชิญ น, นั่งเปิดแอร์เย็นๆใช่ไหมเอานุ่นเลี้ยงเอานี่เรียกไม่ช้าเธอ นี่อัลลอฮ์บอกท่านภรรยาที่งอนงอนสามีสามีทำไงนะยิ้มสลามาอะไยกูเดี๋ยวไปซื้อทองให้บาทหนึง่งอ๋อเงยิม้มต่อเอาใจกันมนุษย์ถ้ามีอิทธิพลใจตอนอยู่เยอะๆไอ้ทำไงนะให้ทำดีกับเขาถ้าเป็นใจตอนตัวจริงซึ่งเรามองไม่เห็นตัวต้องขอผ่านอัลล์สุบฮานวะวาตาลาเขายกตัวอย่างเนี่ย ยังเราจะไปบ้านเพื่อนเรามันเลี้ยงหมาไว้หลายตัวพอไปยืนหน้าบ้านทําไงเราด่าหมามันได้ไหมไม่ได้ต้องบอกเจ้าของใช่ไหมเฮ้ยดูหมาหน่อยเจ้าของพูดคำเยอะไอ้ตูบเข้าเข้าบ้านหมดเลยอะเหมือนกันเขายกตัวอย่างดูแลใครดูหมาเป็นโอ้โหแสบให้ดูหมาเป็นแบบอละไรสร้างหมามามันกลัวเจ้าของมันมันเชื่อเจ้าของมันประอนตัวเจ้าของเราแขกไปเนี่ยไปสั่งหมาไม่มีสิทธิล์ละ ต้องบองเจ้าของเจ้าของมันสั่งหมาเองเอ้ยเข้าให้หมดอย่าหาวยบอะลอกก็เหมือนกันถ้าจะให้ไล่ช้ตอนททำไงอูซูบิ ล, ลฮิมินัสไซปอนยูโรจีบอลาทำได้ความรู้ครับที่นอนวามินัสไซบมินัสตอนและเราได้ทำให้ช้ตอนเป็นไงครับ ไมยารูสูนลรหูดำน้ำําอัลลอฮ์ให้รอโซยารุสได้แบบดำน้ําได้ท่านวิชาดำน้ําเนี่ยมีมาแล้วไม่ใช่วิชาใหม่ท่านคนที่สอนว่ายน้ําดำน้ำเป็นวิชาเก่าในะกะเพริงอ่านอยู่แล้วชายตอนเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อํานาจนาบีสุไลมานสั่งสัส่งนบีสุไลมานให้นบีสุไลมานจะสั่งชายตอนได้ อานนชายตอนสั่งอะไรนะถูกสั่งให้ยารูซูลให้ไรนะให้ดำน้ำดำน้ำไปเก็บอะไรล่ะพี่น้องถ้าไม่อ่านก็ตอ่านโอ้โหได้ความรู้ในคำพิเศษอีกอื่นนะอธิบายอย่างนี้ดำน้ำเพื่อไปเก็บไขมุกอลุลุแปลว่าไขามุกแสดงว่าไขามุกเนี่ยอยู่ไหนใต้ทะเลเอล๋ลเนี่ยใครสอนอย่างนี้อล๋อสอนใช่ไหมเอาไขามุกมายัางไง ไข่มุกเนี่ยมาจากอยู่ในหอยนะแล้วหอยเนี่ยเวลามันอ้าปากเนะี่ยรอน้าฝนหยดเดียวเลยนะเข้าไปนะแล้วมันเก็บเอาไว้นะเอาไว้กี่เดือนกี่ปีไม่ทราบเสร็จแล้วก็กลายเป็นไข่มุกเลยนี่ใครสอนครับอลัลลอฮ์สอนแล้วไข่มุกต้องอยู่ในระหว่างไรนะน้าเค็มกับน้าจืดอัลลอฮ์อัอกบะต์อลัลลอฮ์สั่งนะว่าใบานะหูมาบาดจาคุ ล, ลายาบรีน้ําเค็มกับน้ํจาจืดจะไม่ปนกันเพราะมีที่กั้นเอาไว้ บัซักไปวาที่กัน้นคนที่ตายทั้งหมดอยู่ในที่กัน้นอยู่ในบัซักหมดอัลลัมบัซักฉะนั้นแต่หากว่าไข่มุกเนี่ยมันจะเกิดได้มันต้องอยู่ระหว่างน้ําเค็มกับน้าจืดอัลลอฮฺอักบารฺนี่เขารวยกันมาเป็นมหาเศรษฐีกันหมดแล้วเรื่องไข่มุกอย่างเดียวเ <c oughs> <c oughs> ล่านันกระพีกูนอ่านอัลฮามดุลิลาแล้วมนุษย์ศัตตะรูของอิสลามเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปวิจัยสําเร็จครับได้ไข่มุกมา แต่คนที่นำเอ า, เอาไข่มุกมาใช้เป็นคนแรกคือนบีสุไลมานสังชซย์ตอนไปเก็บไข่มุกในทะเลครับนี่เป็นความรู้ทั้งหมดครับแล้วต่อมาครับวายามาลูนามาลันดูนาจาเลกและพวกเขาพวกชายตอนเนี่ยทำงา น, อ, นอื่นอื่นอีกนอกจากนั้นอัลลอฮหุอับ นอกจากงมไข่มุกแล้วยังไม่พอดำน้ำด้วยงมไข่มุกด้วยแล้วก็ทำงานอื่นอีกอ๋อทำงานอื่นอื่นอีกไม่ได้บ้างอื่นอื่นอีกเลยตับซิดอธิบายอย่างนี้มหาริ์สร้างหอสูงสูงเป็นป้อมปราการอ่าหนึ่งสร้างหอคอยสูงสูงเป็นป้อมอันที่สองสร้างรูปปั้นอ่ารูปปั้นมาแล้วเห็นไหม การพนณองหลายคนมุสลิมบางคนอ้างว่าการพิณอธิบายสร้างรูปปั้นอยู่ตามซีนเนี่ยตามมาซินแบรูปปั้นรูปปั้นในสวรรค์สมัยนั้น อ, อนุญาตแต่สมัยนบีมุฮัมมัดไม่ อ, อนุญาต Allah อัลลอฮ์อธิบายไว้เลยฉะนั้นใครจะมีรูปปั้นในบ้านรูปเจเวตในบ้านลองมีดูสิมาลีก้าไม่เข้าบ้านนาบีก็ไม่เข้า บ้านใครก็ตามพี่น้องทีมที่มีรูปจเวีตรูปมรูปปั้นอยู่นะส่วนใหญ่เขาไม่เอานบีเข้าบ้านนี่เอาสุนัขนบีเข้าบ้านนี่พูดใหม่นะคนที่ไม่เอานบีคือนบีจะไม่เข้าบ้านที่มีรูปปั้นเช่นเดียวกันวันนี้น่ยคนที่ไม่เอานบีเขาเอารูปปั้นมาแทนใช่หรือไม่ใช่เอาจเวีตรอื่นมาแทนเอาโต๊ะยอเอาโต๊กีมาแทนแล้วคนที่เอาสุนัขนบีเขาจะเอารูปปั้นออกจากบ้านของเขา น บ, บีมุฮัมมัดเอารูปปั้นจากนครมักกาอ่อกสําเร็จไหมสําเร็จพันในกี่ปีครับส0บยบไม่ถึงประมาณ20ปีอยู่มักกาสิบสปีเอาออกไปสําเร็จไปอยู่นครมอตินาอีกประมาณ8 8ดปีหรือ9้าปีหรือ7ปีแล้นี้แหละนะกลับมายึดนครมักกาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพิ่งจะเอารูปจเวิตออกจากมักกาได้สําเร็จห้ามอยู่ดีเลยแต่ บ, บินนบีไม่เคยพูดนะ เก็บความลับไว้ดีมากเลยอยู่ในใจอะ่ะวันที่ยึดนครมา ก, การ์ได้เนี่ยอบูปะกัท่านเอารูปเจเวตออกให้หมดนันตุนดิลล่สําเร็จไหมสําเร็จวันนี้เริ่มจะพาเข้าอีกแหละตอนนี้พี่น้องเราในนครมกกากะร์เริ่มจะพารูปเจเวตเข้าไปในมา ก, การต่ออีกแหละกวกขอถวายตอนร้อนนะครับจะพุมมองรูปเจเวตบนถึงยาฮูดีนะะยาฮูดีเข้าต่ออีแล้ว ทำดูลีลาแม่รีการเมืองแรงไปหน่อยอัสตักฟิโรลไ ม, ไม่เอาไม่เอาไม่แตะวามินาใช้ตอนนิมนาอุสุนาลาหูวายามาลูนาอามันดูนาซาลิกแล้วก็ทำงานอื่นๆอีกใช้ตอนหนึ่งทำหอสูงๆทำรูปปั้นทำชามใหญ่โอ้โหชามนะทํำชามใหญ่ๆในอัลกุรอานสาระอื่นนะ แล้วก็เช่นอ่างน้ำออเขาอาธิบายว่าอ่างน้ำหมายถึงชามก้นชามคตัวโ ต, ว ต, วตวแล้วก็หม้อหุงข้าวใหญ่ๆเนี่ยชายคนยกไม่ไหวต้องชายไรนะต้องชายสปริงสปริงช่ายออกมาในประเทศจีนผมไม่เคยไปอยาจะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าที่มัสยิดในประเทศจีนเนี่ยมีหม้อหุงข้าวเนี่ยจุได้กินแล้ประมาณสี่ห้พันคน ไม่ต้องใช้คนยกชายสปริงอย่างเดียวหมุนนุนหมุนนี่โ อ, อ, อ้เอากูว่านี่ไงขาเอามาชายก็แล้วพวกเราเนี่ยล้อหุงข้าวจากนี้แค่สามคนถามนมาตเป็นสั่งแกงรู้ใช่ไหมอืมทำดูเรื่อทีนี้หม้อหุงข้าวแล้วก็สิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับรอสิยาดนี่เป็นอะไรนะาชายตอนสร้างหมดเลยโดยคาสั่งของนบีสุลัยมานอัลฮัมดุลิลลอร์พี่น้อง อาตอมาครับว่ามีนัสไซตอนิมายูสูนัลหูและเราได้ทำให้ชัยตอนเนี่ยนะครับบางตัวนะทำดำน้ำให้โลไลมานและพวกเขาทำงานอื่นๆนอกจากกันอีกว่ากุนนัลหุมฮะฟิซีและเราอัลลอฮ์เป็นผู้เฝ้ารักษาพวกเขาเห็นยังครับตะกับบุญไม่ได้เลยมนุษย์ต้องนึกนะอัลลอฮ์ให้อำนาจนบิสไลมาน แต่อัลลอ์ก็ยังเฝ้าดูอีกทีหนึ่งอีกโอโลเห็นอย่างครับลาฮาฟิซีนเราดูแลรักษาอีกอีกทับหนึ่งเราวันนี้มันการที่นั่งตรงนี้อัลลอฮ์รู้หมดนะอัลลอฮ์เห็นนะอย่าคิดว่าอัลลอ์ไม่เห็นนะอัลลอ์ให้คะแนนอยู่แล้วส่วงมาเลยก้ามานั่งติดกับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดนั่งแบบไม่หลับนะถ้าหลับไม่ได้ ถ้าไม่หลับเนี่ยอัลลอฮ์ให้แล้วนะฮามาเลกาหมาขออุอาทัลลัฮูมานฟิลลัฮูวาลฮามหูอัลลอฮูมานฟิลลัฮูวอัลลอฮ์อภัยโทษแทนกับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดและนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาตัลลาสงมาเิกาห์มาอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยครับเอาต่อมาครับอ่าอายะที่แปดบสามอายะสุดท้ายนะครับพี่น้อง و أيوب ََُ إذنَ ِْ ا د َ ي, إ ى ر َ ب َّ ه ُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ ا وَأَيُوبَ إِذْنَ ا د َ ر أ أ ر <ين> أ ي, إ ى ر َ ب َّ ه ُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ ว่อันตอฮ์ราอัลฮ์อัลอฮ์อัลอฮัลลอฮ์ัลลอัลาอฮ์อัลลอฮ์อ <en> ัลลอฮล่าฮ์อัลลอฮัลลอฮ์อ ah ah> ัลลอานอัอัลลอให้ัลาอฮ์เล่อฮ์อนลลออัลลปฮ์อัลอฮ์อัลลออัยลอฮ์อัลลอฮ็อัรลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัอฮ์คัลลอฮ์ลอัลลออั์อีลลอฮัลลออัลลอฮ์อัอออลอั ดานะดาว่าไงนะดาบอกว่าอายุเนี่ยที่มันป่วยนานหลายวันเนพราะมันบาปเยอะที่ใครพูดนะออกมาจะริมฟีปากของพวกบานีอิสรออลเลยอายุเราเนี่ยที่เป็นนบีเราเนี่ยนะที่มันป่วยตั้งหลายปีเพราะมันบาปเยอะเห็นยังครับ คนที่ไม่รักนบีนวลไม่รั ก, ะ บ, รกะบีอายุมีไหมมีอย่างนั้นตะคูว่านี้ถูกด่าธรรมดา hey, พวกพวกวูฮะบี <c oughs> แล้วโตวคูจันดามเลยพวกเนี้ยจันบางคนเราได้ยินมาก็เสียใจธรรมดาพี่น้องในขณะอายุนะมูลูกก็ตายแล้วที่ดินก็นหมดไรสวนานาก็หมดธงธาตตายกันหมดพี่น้องตัวเองไม่สบายอีกห7เจ็ปีในพี่น้อง เมียภรรยาก็ต้ออกไปหาดิสกีเองแล้วก็มานานๆมาสองวันสีวันมาบ้านทีหนึ่งหลังจากคนเพื่อนๆในออกห่างหมดแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลขอร้องขอตัานะสิอายุเอ้ยไม่สบายตั้งเจ็ดปีขอดุอาไหนอยู่เมืไงนะแค่เจ็ดปีเองจะรีบขอทำไมอัลออเลาะห์เห็นยังครับแค่เจ็ดปีเองรีบขอทาไมเราน่แค่ สุบอมตื่นไม่ไหวย่ะเอาลอจะราที่ไอรีบขอหนาดีไหมดีแต่นี่นบีอายุทำเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าฉันเนี่ยลําบากขนาดนี้เนี่ยฉันยังอดทนได้เรื่องอดทนเรื่องใหญ่มากนะพี่น้องนะคนที่ผ่านการอดทนได้เนี่ยเอาลอเอาลอารารักมากเลยพอนบีอายุขอดูอาขอว่างานนี้เนี่ยดูดูคำขอเนี่ย เออนิมาสานิยบุรุแท้จริงอับุรุนี่แปลว่าความเจ็บป่วยก็ได้ความยากลำบากก็ได้ในภาษาอุรุกว่าบีมารีการเจ็บไข้ใดป่วยหรือว่ามูซีบาตต่างๆที่ฉันกำลังประสบอยู่เออนิมาสานิยบุรุแท้จริงความยากลำบาก หรือว่าความเจ็บป่วยนะครับได้ประสบกับฉันว่าอันตาอรหมุรไฮมีนและพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตายิ่งแห่งผู้ทรงเมตตาทั้งหลายต้องการจะขอดุอาให้หายนั่นแหละหลังจากป่วยมาแล้วกี่ปีเจดปีลูกก็ตายหมดแล้วลูกผู้หญิงเจ็ดลูกผู้ชายเจ็ตายหมด ทรัพย์สินหมดแพะแกะวัวควายหมดพอขอดูอาปั๊บเนี่ยอัลลอฮฺอัลกบะรอัลลอฮ์ให้เลยครับอัลลอฮ์รับรับดูอ า, พ อ, ab, อาพอรับดูอาเสร็จแล้วก็อัลลอฮ์บอกให้ไปอาบน้ำอ่ะมีตาน้ําขึ้นมาอัลลอฮฺอักบะรมีตาน้ำไหลขึ้นมาให้เอาน้ําตรงนั้นเนี่ยนะมาดื่มแล้วก็มาอาบพออาปับ๊บหายหมดเลยอะ่ะอัลลอฮฺอักบะรอ่ะ แต่ม่ใช่แป๊บๆมันก็ใช่เวลานาเดือนอะไรนี่ละเป็นเป็นเป็นอาทิตย์น่นกว่าจะหายค่อยๆหาย ฟ, ฟื้นฟื้นฟื้นฟื้นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือว่าภรรยาเนี่ยก็มาเยี่ยมสามีนะบางทีหายไปสามวันสวันไปหารีสกี้ไปนอนบ้นญาติพี่น้องกันใช่ไหมกลับมามาเยี่ยมสามีมาครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นสามีแต่เห็นแต่เห็นแต่เห็นผู้ชายนั่งอยู่คนหนึ่งถามว่า คุณผู้ชาย ท, ที่นอนไม่สบายตรงนี้่ะไปไหนอ่ะบอกว่าก็ชันนะ hey, ใช่เลอจนลงว่าจำสามีไม่ได้ร <laughs> อว่าเขาอัลลอ์โดนยาอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะฟินีอันตะสาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกชิฟาอัลลายูโกรดซาบะมันลาบะซอตะฮูที่เป็นดุ อ, อัลกนบีอุมะฮามัด อัลลอฮ์อัลลอฮให้นบีอายุหายปกติเหมือนเดิมยังหล่อ ก, กว่าเก่าแล้วอัลลอฮ์ส่งเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่มาจากสวนสวรรค์ให้ยิบเอาใส่พอใส่ปั๊บนี่เมียจําไม่ได้อาลลอฮ์ที่สามีฉ <c oughs> <c oughs> ันใหม้มาแค่ปีนอนทั้งหลายฉะนั้นนบีอายุเคย ส, สบายแล้วต่อมาลําบากแล้วต่อมาสบายเห็นยังครับบนโลกดุนยาเบนี้บางคนเป็นแบบนบีอายุมีไหมมีครับ แคอย่าลืมอัลลอฮ์อย่าลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปนองกระังนั้นอัลลอฮ์ชมนบีอายูบไวยังกะพีกุนอ่านชมอย่างนี้ครับ <c oughs> อินนาวะจัดนาฮูซอบิรออย่าลืมว่าถ้าอัลลอฮ์ชมนะ ย, ยิ่งใหญ่มากนะแท้จริงฉันเราพบว่าอายูบเป็นคนที่ซอบิรอนอดทนสูงอัลลอฮ์อักบัต์น่ารักมากครับแค่นั้นต้องให้อัลลอฮ์ชมเราบ้างนะเร า, าเป็น ค, คณอดทนข้อที่สอง เนื้ออาบดูบาวผู้ประเสริฐอัลลอฮฺอัลลว่าัเรื่องที่สามอินนาหูอวาบแท้จริงอายุหันหน้าเข้าหาอัลลอฮตลอดเวลาไม่ลืมอัลลอฮขนาดป่วยไม่ลืมอัลลอฮฺพี่น้องทราบไหมตั้งศีอธิบายอิกลุนศีลอธิบายดีนะร่างกายทั้งหมดเนี่ยเจ็บป่วยหมดเลยเน่าหมดเลยอ่ะแล้วก็มีนงมินงมีนนอนออกมาเรามีาจะอา่าน เสร็จแล้วก็มีอยู่สองที่หัวใจกับลิ้นที่ไม่ป่วยหัวใจเกียรติพระธรรมไรดิฉรุ้แล้ว س ب ح อัลลอฮ์ยาฮัมดุลลห์ใจนึกลิ้นขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์มากมารมีแค่สองอย่างที่ไม่ที่ไม่ป่วยนะเอาไว้หัวใจนึกถึงอัลลอฮ์ลิ้นชมอัลลอฮ์พี่น้องเราเป็นแบบนี้ไหม เป็นเธอเป็นน้องแต่ที่บางคนพระไม่สบายแล้วนมะูนมาทิ้งหมดขนาดอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนะ่ะนมาทิ้งแล้วนะ่ะฉะนั้นอย่าทิ้งน้ามาเลยเพวกใกล้จะตายอยู่แล้วยืนไม่ได้ทําไงนั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอนไม่ได้ฝัง <c oughs> ครับอเป็นน้องเรื่องประวัตินบะีอายุมันมีเยอะอนะบางทีแก่บ้างไม่แก่บ้างรักประลาเอาของดีๆมาเล่า ก, า ก, าก الله, าวัน سبحان ุลลอฮุมมาบิฮัมดีกะ أ ش د d أن لا إله إلا أنت أستغفر a a ا ت و ب إ ل r u t u wa i k s s a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh